เจ้า 14 ตุลาคม 2528 ที่พุทธสถาน วันแล้ววันเล่านะพวก ของตนเห็นจริงๆนะๆว่าเอออย่างนี้มันก็ดีนะคนเรามันก็ มาบางคนก็แต่งหน้าแต่งตากับมาแต่งหน้าแต่งตาอะไรของเขาตามที่เขาเคยเขา แต่โดยหลักใหญ่ๆก็ซ้ำๆประเดี๋ยวก็กินประเดี๋ยวก็ คนนึกของมันเป็นของๆๆสั้นๆสั้น ก้นเท้าส้นสูงมันก็บ่รู้ทูมั่งๆแล้วจะเห็นได้ว่า พอแก่ขึ้นมาแก่ขึ้นมาอ้าวมันมาวนไอ้แบบที่เราเคย ไอ้ผมทรงแมะแล้วก็ว่าอร่อยอะไรของมันก็ไม่รู้ทรงหมา ชีวิตไม่มีอยู่ ก็ไปตามรูปธรรมนามมาทําตามบริภาคของงามอ่าคนยังไงอ่ะงามแต่ ก็มันเกิดมาแล้วจากท้องพ่อท้องแม่นี่มัน แล้วก็เปลี่ยนการเกิดที่มันเลวกายกรรมเรา การเกิดจริงๆเกิดจริงๆเกิดเป็นอริยะใหม่เลย เกิดจริงๆนะเกิดแล้วไม่เวียนกลับเราเข้ากระแสมันเกิดในทาง สรุปบอกให้ทําให้มันดีเราอยากแล้วมันไม่สวยหรอกอ่า <ged> เออยิ่งขี้โตดกหนักแล้วจะว่าเป็นหน้าทับขาวธรรมดา มันก็ชัดๆอยู่แล้วสเบยเบาง่ายมันไม่แล้วมันนิว สั่งสมไปเถอะมันมาที่ใจแม้ว่าแม้หน้าแน่ๆนะชาตินี้ๆคุณ ถ้าได้หน้าไม่ต้องหน้าขาวแล้วเกิดอบรมจิตวิญญาณอย่างนั้นจิตวิญญาณ เป็นเบี้ยวแน่หน้าเนี่ยเราก็ทําของ แล้วก็กรรมพันธุ์เป็นคนที่สร้างสมร่างกายกล้ามเนื้อพระพุทธเจ้า นะโดยเฉพาะนามเป็นหลักวิบากกรรมที่กุศลเราเข้าใจกุศลน่ะกุศลกรรมกุศลกุศลธัมมาอกุศลธัมมาแยกวิเคราะห์กุศล เรเราก็สบายไปแล้วก็สบายไปแล้วนะชาติๆดับสนิทไม่เกิด พร้อมพอจริงๆแล้วไม่ต้องเวียนมาเกิดในกามโลกนี้ จริงๆครบมันก็ไม่มาอีกแล้วด้วยองค์ประกอบๆเลยนะแม้ขนาดนั้นก็เป็นอัตตา ก็ยังเป็นอัตตาอยู่กลัวอย่างอนาคามีนี่กลัวเมื่อเกิดมันจะเป็นแค่ เทวดานางที่เทพธิดาไปเอเก็บดอกไม้อยู่คนเดียวแม่เทพธิดาแอบหายจากเทวโลก อ่าไปเจอทั่วได้เพื่อนบอกไปไหนมาแหมฉันได้เกิด ไปไปหามันเป็นอุทาหรมันนานช้ากว่านั้นคุณ 1 1 วินาทีของอสัญญีพรหมปีของ ถามดิคุณจะอยู่อีกกี่ล้านปีถ้าคนไม่รู้เนี่ยน่ากลัวอะไม่น่า มันเนี่ยมีเกราะอะไรอยู่เหมือนอยู่ในถ้ําในกรอกของโอ้ เค้าก็ตรวจๆ มันไม่มีสถานที่ถึงขนาดไม่มีสถาน แม้แต่ตัวเองจะทำลายก็ตัวเองก็เป็นจิตปัญญาอย่างว่าแล้วตัวเองก็หลงอย่างงั้นน่ะไอ้ความหลงนี่มันไม่รู้จะพูดยังไงมันหลงมันไม่รู้เรื่องน่ะยิ่งอยู่ในภพของจิตปัญญาแล้วเหมือนคนนอนหลับเนี่ยฝันคุณก็อยู่ในภพของวิญญาณโอ๊ยมันจริงจริงๆอย่างงั้นน่ะอยู่ในภพปัญญานั่นน่ะจริงเหลือเกินบางทีบ้าๆบอๆมันไม่เห็นจะหน้าจริงตรงไหนเลยใช่ไหมเคยฝันบ้าๆบอๆมั้ยล่ะไม่เห็นจะหน้าจริงตรงไหนถ้าจะเพลินๆแล้วก็ไม่อยากตื่นเลย มันอย่างงี้งั้นในฝันน่ะโอ๊ยไม่อยากตื่นเลยมันแล้วเมืองสวรรค์ สุราภาโวไม่มีสติมันโตอะไรแล้วมันก็ไม่ใช่เลยอย่างนั้นเพราะ ถ้าไม่มีสติก็อยู่อย่างตรงนั้นน่ะเมื่อก็ๆบอๆเอ้ยเลือก <f unk> มีสติพร้อมควบคุมกําลังอะไรได้เปลี่ยนแปลงๆมีสติมันโตทีนึงก็เปลี่ยนเนี่ย สุราภาวะสภาวะที่จะต้องหยั่งลงสู่ขันมารดาหรือ จนกว่าคุณจะเป็นพระอริยะบุคคลได้สั่งสมบุญกุศล คุณจึงจะไม่มาเกิดได้จึงจะไม่มาเกิดได้เพราะมากๆมากๆคุณก็มาได้ เชื่อกุศลเชื่ออกุศลแล้วก็ยังกุศลๆโลกก็ได้ส่วน มันก็ไม่ค่อยเข็ดขยาดนักเนี่ยมันเป็นแนวโน จึงเป็นคนที่โอ้โหซวยมหาศาลๆได้ๆ คุณอยากจะมาเกิดอีกให้เป็นพระอรหันต์ ให้เราอาศัยมาอ่ะเราน่ะวิบากอย่างใดๆหรอกโลกนี้มันนิรันดร์นิรันดร์น่ะ ที่ต้นคุณในมหาจักรวาลนี้อ่าในมหาจักรวาลนี้มันไม่มีที่ต้นมัน เออมันบาปมันบุญมันวนมันเวียนอยู่อย่าง ยังอยู่ยังอยู่ในนั้นแหละแล้วมันก็ไม่สูญสิ้น ไม่ได้มีเนี่ยพฤติกรรมที่สร้างสรรค์สั่งสมบุญไปเอาแต่ มันก็ลงมหาวิบัติเก่าแล้วบางคนอาจจะมีบาปส่วน คนก็ดีเทวดาก็ดีแล้ว ไปทำวิบากบาปอะไรไว้อีกโสดา 7 ชาติก็จริงชาตินี้ก็ โซดาบานเป็นบุคคลอีกชาติที่ 3 นี่อาตมาอธิบายย่อยคือกรรมทุกชนิดสัมมา แล้วเราก็เป็นกรรมๆนะอ่ะลองฟังสูตรดูอาตมา อังคุตรนิกายเอกกทุกกติกนิบาตนะ 1 2 3, 3. 442 ดูแก่พระภิกษุ 1> า, ด, นะ 1 ลักษณะ 2 นิมิต 3 ความประพฤติไม่ขาด เพราะฉะนั้นจะดูลักษณะหรือดูว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายก็เพราะคนพาลย่อมเป็นผู้คิดเรื่อง ก็มันไม่รู้แต่ๆอยู่แล้วแต่ว่าอย่างพานเนี่ยอย่างนั้นมันง่ายคํา ยังยาวอยู่ยังคนว่า อย่างไรก็ดูที่ลักษณะอย่างไรก็ดูที่นิมิตจะ ไม่ใช่คนดีคนดีนะก็เพราะคนพาลย่อมเป็นผู้ ของเขาต้องศึกษาแล้วจะรู้เลยว่าออกคนนี้ ในกรรมกิริยาของเขากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเขาก็จะเรียกว่าชั่ว กลับกันลักษณะอ่าท่านสรุปก่อนดูกะระภิกษุ ดูกรภิกษุทั้งหลายบัณฑิตพูดคำที่พูดดีหนึ่งทำกรรมที่ทำดีหนึ่งนี้ย่อมเป็นผู้คิด บัณฑิตพึงรู้เขาได้ด้วยเหตุ สามประการนี้แลดูกะระภิกษุทั้งหลาย เราสมาทานธรรม 3 ประการนั้นลักษณะ นิมิตความไม่ขาดสายของตนนะเว้นๆนะความประพฤติไม่ขาด ความประพฤติของเรามัน 3 นาทีก็ไปทํานาที 2 นาที 5 นาที 5 นาที 8 ชั่วโมง อย่างนี้เป็นต้นเราจะไม่บอกว่าไม่ขาดสายๆเดือน อ่ะจะเป็นอย่างไร ผู้ใดมีมากผู้นั้นก็เป็นบัณฑิตผู้ๆ และพูดถึงโทษของเทคโนโลยีเมื่อ เมื่อผู้อื่นชี้โทษอยู่ 3 3 ธรรม 3 คือ เห็นโทษโดยความเป็นโทษทีเหเห 2 ข้อ 3 นี่บัณฑิตนะดูกะระภิกษุบัณฑิต ส่วนพาลนั้นน่ะไม่เห็นโทษด้วยความเป็นโทษ นิ 2 นี่ 443 นะอัจจยสูตรสูตร 3 444 นะ, 3 คือ เฉลยไมไม 1 ไม่อนุโมทนาสละ 1 3 2 เฉลยปัญหาโดยไม่แยบคายฟังๆนะพวกเราเนี่ยเป็นนักเฉลยปัญหาชั้น นั่นแหละมันไม่ได้ไม่ได้ 3 ไม่อนุโมทนา คือผู้ที่เค้าตอบปัญหาเนี่ยนะตอบปัญหาเฉลยปัญหา เขาอุตส่าห์ขยายให้ดีๆพยายามอะไรก็ๆอยู่หรอกมันกลับแล้วทีนี้ก็ดูบัณฑิต เฉลยปัญหาโดยแยกคาย 1 อนุโมทนาปัญหาที่ ท่านเอาแค่นี้เป็นบัณฑิตได้เป็นพานได้ไม่ใช่บอกแล้ว มารian อย่างนี้น่ะหมายความคนพลอย่างชั้นต่ําชั้นหยาบมา มันไม่เหลือแล้วบางคนหัวขาวบางคน หรือไม่อนุโมทนาในผู้ใดก็นี่ละคนผ่านแต่นะอ่า ถ้าใครเก่งกว่าผมได้จะเฉลยปัญหาได้ดีคุณก็คงไปดู คิดดีหรือชั่วทําดีหรือชั่วถ้าผู้ใดทํานิมิต อาการกิริยาอย่างเนี่ยนิมิตคือตัวกําหนดเครื่องหมายเครื่องหมายว่าลักษณะว่า กำหนดรู้เอาไว้ว่าเตออย่างเนี้ยเนี่ยพอถึงนามมา ลักษณะอย่างนั้นล่ะเป็นนิมิตกามลักษณะเครื่องหมาย คิดชั่วคุณก็ยังอ่อนยังเยายังโง่ยังเล็กยังเด็กยัง วจีกรรมก็ดอกก็ดักอย่างโลกีย์ยิ่งเราเรียนธรรมะ Oh เอานะไอ้คนอย่างนั้นเนี่ยๆหรือ ไปคราวหน้าตัวใหญ่ตัวเล็กลงอีกเยอะนี่เนี่ยอ่าเป็นลิงลพบุรีเดิน <c oughs> เพราะคนที่เชื่อจริงเค้าถึงพัฒนาเชื่อว่ามันไม่เอาหน้าเราจะตกต่ำ ไม่มีกรรมไม่มีการงานไม่มีพฤติกรรมอะไรศาสนาพูดมันเจ๋ดีตรง แกอีกแบบเรียกพระเจ้าน่ะเป็นผู้สร้างสร้างให้ อย่างนี้เป็นต้นเค้าก็เป็นอย่างนั้นจริงแล้วเรามา มันรู้กี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านยิ่งเก่งใหญ่เลยยิ่ง ขยันมันเพียงก็รู้ในความขยันเพราะอาตมามันเป็นคนขยันมาเก่ามัน นะมันมีมาติดบารมีติดตัวมาเก่าขยันเนี่ยเค้าเรียกบารมีนะมันมี อายุ 30 โดยอาตมาไม่ได้มีทุน ก็เอาเปรียบเขามาได้ไม่เบาดีใจนะภาคภูมินะแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหถ้า ถ้ามีชื่อแล้วชื่อแล้วไม่ 5,000 มันเอาเปรียบคนได้ยิงเพลงโฆษณาแล้วก็กด 50,000 เลยอ่ะมันจะไป มันไม่รู้จริงๆนะคุณฟังนี่ว่าอ่ากินมากก็ว่าต้องเนี่ยเอ่อสํานัก ยังเขาๆสันติอโศกเค้าว่าตั้งให้เราสันติโสกาดูลซะอีก สอดคล้องกับบุญสอดคล้องกับบุญกับคุณหรืออะไรเรียกว่ากุศลธรรมะอะไรเรียกว่าอกุศลธรรมะอกุศลธรรมะ เป็นคำเหมือนคำคล้ายที่ใช้แทนกันได้อ่า หรือทุจริตส่วนกุศลกับบุญส่วนกุศล เราก็พยายามกําหนดรู้ต้องรู้ด้วยปัญญาของเรา อ่าไอ้เราก็นึกว่าเรานี่เจ๋งเลยเนี่ยขาประสบผลสําเร็จเยี่ยมเลยเนี่ยเอาเปรียบ มันชัดเจนดีอย่างเงี้ยนะลักษณะต่างๆเหล่านี้ ไม่รับรู้ตามธรรมเป็นโทษข้อที่ 3 ที่มันรับรับอย่ารับแต่แล้วอ่านอ่านๆอ่านได้แล้วก็มาดูที่เราๆมันมีบ่อยแล้วเกินได้แล้วผ่าน นะถ้ามันเป็นคุณก็เป็นบัณฑิตมันเป็นโทษก็เป็นพาลถ้ามันนะ เจ้าเฉลยปัญหาให้แก่เทวดาได้ก็เพราะว่าเราเอง เรเรเราก็ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเรื่อยก็ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเรื่อย เมื่อคุณเป็นผู้ได้ทรัพย์มาแล้วจริงคุณแต่ เชื่อมั่นเพราะได้จริงเป็นจริงเป็นเช่นนั้นเช่นใดเช่นที่พระอริยสาวกท่านเป็นมา จนถึงขั้นอะรหัตตาอรหะคือความไม่ลึกลับอรหะเนี่ยรหะระโหแปลว่าความลึก เป็นบัณฑิตเป็นครูคนอื่นคนอื่นก็จะมา การกระทําทั้งมวลรวมแล้ว